ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงพระโพธิญาณได้ดำเสนอความเป็นมาของพระโพธิสัตว์สมัยจีเป็นสุมเมตตาบทเราแก้วเพิ่มเติมเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับสังสารวัฏกับความเชื่อที่เกี่ยว ก, กับกรรม อันสะท้อนมาจากพระพุทธธรรมรัต์ของพระเจ้าทรงบรนามติปังกรนั่นเองมันแสดงพัฒนาการทางจิตปัญญาของมนุษย์ว่าผลที่จะเกิดขึ้นแก่คนเนี่ยไม่ว่าจะออกมาจากด้านดีและด้านไม่ดีก็ตามมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นตัวเสริมสร้างพระโพธิสัตว์นั้นปรารถนาผลสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้า ป้องก็ต้องใช้เวลาในการเพิ่มภูมิบารมีบางครั้งท่านเรียกว่าพุทธการกธรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลผู้มีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์ให้เป็นพระพุทธเจ้าในความรู้สึกนึกคิดของสุเมศดาบทท่านก็เกิดสมนัตยิ่งนักและคิดว่า ระดํหรักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเชี่ยงแท้แ น, น่นอนเราคงได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ความปรารถนาของเราจะสำเร็จแม้มาชนก็พากันร่าเริงยินดีว่าท่านผู้นี้จะเป็นพุทธังกูลคือหน่อเนื้อเชื้อสายของพระพุทธเจ้าต่างตั้งความปรารถนาว่าในาศาสนาของพระโลกกนาโตรงนี้ในอนาคตขอเราทั้งหลายพึง เป็นผู้สามารถรู้แจ้งรหัตมักอันเป็นผลเลิศในที่สุดแห่งสุมเมตดาบทนี้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดตัวนี้เราเห็นมาฐานสังคมที่มีความสําคัญคนที่ความประพุทธดํารัตของพฏิปังกรพุทธเจ้าขณะนั้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพระอรหันต์ทั้งหลายกลุ่มที่สองก็คือคนที่มีความเห็นเป็นสมาธิ เราลองสังเกตความคิดของคนที่เป็นสมาธิถิเนะี่ยเมื่อสุมเมธดาบดได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่วาจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการผ่านลุกสมัยไปถึงสี่แสนสมัยกับก็ไมแสนกับแน่นอนท่านสุมเมธดาบดต้องยิน ด, ดีที่เห็นแรงอนธะิษฐานของท่านจะประสบความสาเร็จแม้จะอยู่ไกลก็เมือนกันแต่ว่า ในความรู้สึกของท่านก็คล้ายๆใกล้ๆๆ ค, ค, ค, ค, ค, ค, ค, ค, คนเราตามปกติแล้วเมื่อได้ทราบข่าวคนอื่นเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือเห็นความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นความรู้สึกมันจะออกมาเป็นสามอย่างอย่างหนึ่งก็คือริษยาอย่างที่สองก็คือเฉยๆอย่างที่สามก็คืออนุโมทนาเกิดมุติตาจิต นคนที่สามารถมุทิตาจิตหมู่ได้เนี่ยหมายความว่าคนจำนวนมหาศาลแล้วก็ฟังข้อความเดียวกันแล้วก็เกิดมุทิตาจิตร่วมกั น, นมันก็แสดงถึงพื้นฐานจริตอัตยาสัยของคนเ่านั้นว่ามีคุณธรรมสูงแล้วก็ถ้าเราคิดสมัยนี้ก็คือกลุ่มอุบาสกบาสิกาที่มาทำงานเสียสละเพื่อเป็นพุทธ บ, บูชานะครับ ตุ้เทชีวิตจิตใจความเพียรพยายามลงไปทํางนานตรงนี้แสดงว่าจิตใจของท่านก็สงบประณีตสูงสูงสูงสงมากและการที่พวกท่านเหล่านี้ตั้งความปรารถนาที่ว่าในศาสนาของพระโล ก, กนาครองนี้ในอนาคตออก็เราทั้งหลายผู้เป็นผู้สามารถรู้แจ้งหลักธรรมอันเป็นผลเลิศในเวลาที่สุมเมตตาบทนี้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดถ้าเหล่านี้ยอมรับเรื่องอะไร ยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมยอมรับเรื่องกฎแห่งสังสารวัฏและถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อว่ามีกรรมมีสังสารวัฏท่ขานก็ขอบรลุในสมัยพระพุทธีบังกรพุทธเจ้าจะก็ได้แต่ท่านก็รู้ความจํากัดของตัวท่านเองวาสนาบารมีในขนาดนั้นของท่านเนี่ยยังไม่ไปครับเพราะอะไรเพราะเราดูจากการกระทํา แม้จะเสียมตัวตอนรับพระทิปัองกรพุทธเจ้าของสุเมศดาบตกบกลุ่มชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างกันเยอะสุเมศดาบททำด้วยชีวิตเลยเมื่อทำไม่สาเร็จก็ทอดตัวเองให้เป็นสะพานเลยเ่ถท่านเหล่านั้นก็ถากถางไว้ปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะที่สัมผัสกับพระพุทธเจ้าต่อเทียบบา ร, รมีกันแล้วนี่สุเมศดาบทก็ไกลกว่าเยอะ ที่ต้องกาอย่างยิ่งคือสมบูรณ์เหตุสัมาาปทาพื้นฐานบารมีของท่านในขณะนั้นถ้าออกบวชก็สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านรู้ความจำกัดของตัวท่านท่านเชื่อว่าความดีเนี่ยสร้างสารรค์ขึ้นมาได้แล้วเมื่อความดีเพิ่มขึ้นเนี่ยความชัววม่วก็ลดลงไปได้ บารมีของท่านก็แก่กล้ามา ก, กิ่งขึ้นแล้วการปรารถนาลองสังเกตเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาขอบรรลุมรคผลเป็นพระหันเท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าการใช้เวลาบำเพ็ญความดีเรียกว่าบารมีเหมือนกันนั่นนะครับใช้เวลาถึงสี่แสนนั้นสมขายกับก็ไมแสนกลับนี่ท่านเหล่านี้แน่นอนนะท่านก็ต้องบรรลุมรคผลอยู่แล้ว แต่เราอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ที่เสียสงไขกับก็หมยแสงกลับด้า น, นมันเริ่มเป็นความคิดภายในใจอยู่ช่วงหนึ่งปริงวาจายอยีกช่วงหนึ่งตัวนี้มันผ่านไปตั้งเยอะแล้วแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็เริ่มตั้งความปรารถนาแต่ว่าจะรับการพยากรณจากพระพุทธเจ้าองค์หลังๆนะฮก็เหมือนกับถ้าเราสังเกตดูพวก พระหานทั้งหลายในยุคพุทธกาลผู้แงวพระริยบุคคลทั้งหลายในยุคพุทธกาลที่มีชื่อเสียงปรากฏในพวกเทระคาถาเทรีคาถาอะไรตนะระวกสาดกต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งความปรารถนาและรับการพยากรณ์ในสนักของพระเจ้าสรงรนามปฐมพุทธะแล้วก็บางท่านก็เนี่ยเป็นพระโสดาบันบ้างสกิรคาบ้างนาคาบ้างรห บรรลุมรรคผลเป็นรหานบ้างความเชื่อฐานตรงนี้เป็นความเชื่อที่สาคัญคนเราถ้ารู้ความจำกัดของตัวเราอย่าคิดว่าตัวเองสามารถไปวินิจฉัยตัดสินเรื่องขนาดนั้นได้เรื่องระดับนี้เราใช้ความเชื่อเป็นหลักเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นหลักหรอกเพราะเพราะปัญญาเรามีไม่พอ เวลานี้เวลาไปบญญปรรยายรวมในที่บางแห่งพอเขาถามในลักษณะเนี้ยคือต้องการจะให้สามารถสัมผัสได้คือพิสูจน์ได้โดวยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นรุ่นรุ่นนะมันเป็นชิ้นชินมันเป็นอันอันมันก็นําให้ดูได้แต่ว่าที่จริงถ้าเราไม่มีพื้นฐานมากพอเนี่ยก็อธิบายเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแม้จะเป็นรู ป, ปรวัตถุก็เถอะ คือคนเราไม่ควรคิดว่าจะต้องเห็นด้วยตาคือสัมผัสด้วยภาษาสัมผัสจะก่อนจึงเชื่อนะเพราะว่าแหล่งที่มาของความเชื่อของมนุษย์เนี่ยแหล่งความเชื่อหลักที่มีกฎปีเกณฑ์พอสมควรเนี่ยแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะหมายความว่าหนึเราสัมผัสด้วยภาษาสัมผัสของเราเองซึ่งตรงนี้ก็เถอะไม่แน่ว่าจะจริงเสมอไปสองเนี่ย มันเกิดจากศึกษาจากหลักฐานเอกสารพรสิ้นตำหรับตำราหลักธรรมโบราณคดีต่างๆต่อมาการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยกันแล้วก็สามก็คืออนุมานเอาจากสิ่งที่เราสัมผัสมาแล้วเป็นข้อมูลที่ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์ข้อมูลร0อเปอร์เซตต้องเป็นข้อมูลระดับยาน จะเจ้าทรงสแสดงเรื่องห น, นี้ด้วยระดับญาณสมมบรรลุ ก, ก่อนแล้วก็ทรงสแสดงมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับคนกินขนมหวานแล้วเนี่ยแล้วก็บอกคนอื่นว่าหวานใจคอยจะปฏิเสธไม่เชื่อก็ชิมดูก็แล้วกันแล้วคอยเชื่อตอนชิมพิสูจน์ด้วยการชิม เราธรรมะเองก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะอย่าลืมครับพระธรรมคุณสองข้อนะสันทิติโกกับปจตจจจังวิงริตบรมโ ย, ยหิเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนต้องใช้สัมผัสตามลำดับขั้นตอนที่ท่านเคยสัมผัสหมายความว่าเช่นสมมติว่าขนมสูตรอย่างเนี้ยมันกินแล้วก็หวานอร่อย เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยขนมสูตรเดียวกันไม่ใช่ไปประสูตรปรสูน์ขนมอีกอีกสูตรหนึ่งซึ่งอาจจะหวานแต่ไม่อร่อยเหมือนกันก็ได้แต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นเรื่องของคนชอบนะแต่ว่ายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้ทีนี้เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นได้สแสดงความรู้สึกอย่างนั้น พระทีบังกรพุทธเจ้าเองก็ส่งสันเสริญพระโพธิสัตว์แล้วก็บูชาด้วยดอกไม้แปดกำถามว่าทรงเอาดอกไม้มาจากไหนดอกไม้ที่ชาวบ้านถวายนั่นแหละได้พระหันทั้งหลายทำมาทักศิณคือเดินเวียนขวาราชนกีณาศพทั้งหลายเหล่านั้นก็บูชาด้วยรองหอมและดอกไม้ทํามาศิลแล้วก็หลีกไป เซวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทําการสกรักการบูชาพระโพธิสัตว์กับป็นการใหญ่ตอนนี้ท่านเป็นประโพธิสัตว์นะตอนแรกนี่ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้แน่แล้วก็ เ, เรียกว่าเป็นนิยต์ตะโพธิสัตว์คือต้องได้ดสัตว์รู้แน่แต่บรนา น, นานหน่อยแท่นั้นเองท่านไม่ได้ฝังเทสพระพุทธเจา้าที่ปังกรไม่ได้เทสใด้ฝัง เพราะงั้นจะเริ่มคิดอะ่ะก็ใกล้ยๆกับอะไรใกล้ยๆกับคนจะบวชมันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะบวชคนจะเข้าสอบเอ็นซานเข้ามหาเทเลัยก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสอบกนที่สอบไล่ในชั้นต่างๆก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะในการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเป็นเงื่อนไขสําคัญ มันไม่ใช่พอได้รับคำทำนายแล้วก็นอนรอโชคชะตามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่ท่านเล่าถึงก็อดีปิกสุสองรูปนะครับวชอยู่หลายวันสาพอสมควรแล้วต่อมาก็เกิดคิดจะศึกอาจารย์ซึ่งเก่งในทางโหราศาสตร์เยก็ได้ทำนายโชคชะตาให้ฟัง แต่นนายคนหนึ่งบอกว่าเธอเนี่ยจะได้ตายภายใต้สเสวตจักแต่อีกคนหนึ่งท่านก็เป็นหัวบ่ามันจิตนจรมากๆเลยจะไม่มีบ้านดูอ่ทีเดียวแต่ว่าท่านก็คิดสึดแล้วมันตัดใจแล้วอนะูต้องสุดแน่จะเป็นยังไงก็ไปตายดับหน้ากแล้วกัน แต่เมือศึกไปแล้วโดวยอารามที่ขัวจะจนเนี่ยค่ข ย, ยันทำงานหารลุ่หามค่ำกันเลยประหยัดอดอมสะสมเก็บทรัพย์สมบัติเอาไวเ้เนการต่อมาก็มีฐานะบางครั้งร่ารวยแต่คนที่ถูกทำนายว่าจะตายไปใต้สเวตชัดเนี่ยญาติพี่น้องมันก็คิดว่าก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเวตชัตสเสวตชัติก็คือจัดสีขาวนะก็ต่อมา ก็นำญ า, าติตัวนี้แย่งก่นไปเลี้ยงดูไว้เพื่อจะได้อาศัยบุญบา ร, รมีเวลาก็เป็นกษัตริย์แต่คอยหายคอยหายคอยหายในที่สุดก็ทุกคนก็หมดวงังไอ้นี่ก็วางมาศไม่ต้องทำมาหากิจอะไรกันไอ้สุก็ถูกกลับลากจากบ้านเถี่ยวก็เซิงกะเริงด้วจ้ขอทานอยู่ในที่ต่างๆแล้วเกิดหิวโหยอย่างแรงเป็นลมสลบลมริมทางพอดีข บ, บวนพระราชาสด็จ ขอเงาของสเสวตจัตก็ไปทับตัวเขาพอดีเขาก็ตายไปดีก็แสดงว่าอาจารย์ทายถูกบ้างผิดบ้างนะะแต่คำทายเนี่ยบางทีมันก็ทำให้คนเสียกฎได้แต่ถ้าเราบอกว่าเออเธอนี่ถ้าสุกไปเนี่ยแล้วก็มีความมันมีความขยันมีความเฉลียวฉลาด สามารถสร้างตัวเองได้แล้วก็เธอนี่บารมีสูงอาจจะได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากก็ได้แต่ต้องขยันนะมันก็เป็นการปลุกร้าให้คนทั้งสองฝ่ายขยันอย่างไรก็ไม่ถึงก็ขอทานอาจารย์ก็ถ่ายไม่เก่งเหมือนกันคือการทนายทายทักนี่ที่จริงถ้าเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไป มันก็พอยอยู่ในเกณฑ์บอฟฝังได้เหมือนกันนะฮะสมัครคนบางคนทีนี้ธรรมะประเภทที่เราเรียกว่าพุทธกาลกัดทรรมในแง่ของความเป็นจริงเนะี่ยมันก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะนะั่นแหละเป็นเครื่องมือในการลดละโลภโกรธหลง ที่เราเรียกว่าบารมีเสียสามสิบทัศแต่ว่าตัวบารมีเนี่ยมันมีแค่สิบแค่สิบข้อแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าในภาคของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับเช่นสมมติว่าเราให้วัตถุสิ่งของก็เป็นฐานบารมีบริจาคอวัยวะบริจาคโูคิตบริจาค สัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อชูวเหลือคนอื่นก็เป็นฐานะบุญบารมีบริจาคขนาดชีวิตอย่างของพระโพธิสัตว์ที่เล่าฟังว่าสละชีวิตให้เป็นอาหารของเสือซึ่งกำลังจะกินรูปตัวเองตัวนี้ก็เรียกว่าฐานะประมัตถบารมีวันพระโพธิสัตว์ติมํำริว่า คนนี้แสดงไว้ในชินะมหานิทานนะฮะกล่าวไว้ว่าเป็นการกระตุ้นเตือนตัวเองบอกว่าตอนท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณแล้วไซท่านจงมาเป็นทานบา ร, รมีเถิดอันว่าหม้อที่เตียมด้วยน้ำที่ก็วางคว่ำปากลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังติดอยู่ในหม้อนั้นเชนใดท่านินยาจกทั้งหลายทั้งชั้นต่าชั้นกลางชั้นสูงจงให้ทานอย่าให้เหลือ หุดพ่อน้าที่เขาวางความปากไว้ฉะนั้นเหมือนกันเรื่องทานเนี่ยเราจะเห็นว่าทานแบบพระโพธิสัตว์เป็นการให้แบบไม่โกรวจนอย่างตัวอย่างในสมัยที่ท่านเป็นสมเดมม็เจมโนะเห็นว่าให้หมดเลยให้หมดเลยโดยไม่คำนึงว่าต่อไปเนี่ยท่านจะ เป็นอยู่ยังไงแล้วท่านก็บวชเป็นฤาษีแล้วคนเหล่านี้แม้ในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะคาารับยามัสสาที่บตรกระพระโมคะลานาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติถึงหกร้อยห้าสิบโกดนะครโกดหนึ่งเนี่ยเท่ากับสิบล้านหนึ่งโกดเท่ากับสิบล้านแล้วก็ลางคาหาปหนานะเงินแพงนะไม่ใช่เงินถูกอย่างนี้ แต่ท่านก็สลับมาได้แล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นถายาติรับมรดกแบบเดียวกับสมเมตรมานทียเจ็ดชั่วสกุลตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นแขมองเห็นว่าเ อ, อทรัพย์สมบัตินั้นยังปรากฏอยู่แต่เจ้าของทรัพย์สมบัติไม่ปรากฏ เกาเป็นความไม่ฉลาดของเจ้าของทรัพย์สมบัติที่มาสร้างภาระให้แก่ท่านตอนท่านจะไม่ครอบครองทรัพย์สมบัติแล้วก็บริจาคเป็นทานเมื่อก่อนคิดจะบริจาคทานวันละเจ็ดวันละหนึ่งหนึ่งแสนมันไม่ไหวแต่อย่างนั้นหลายปีเลยจึงจะหมดตกลงก็ไปกราบทูลพระราชาให้ประกาศป่าร้องให้คนมารับทานบริจาคเต็นที่นะใช้เวลาเจ็ดวันบริจาคหมด แล้วก็ตัวเองออกบวชเป็นดาบวบทประเภทที่เรียกว่าใช้ควันแทะเปลือกไม้กินบางเพนตะบะอย่างเข้มงวดมากแล้วต่อมาก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามปัญหาพระเจ้าส่งพยากรปรัญหาท่านก็ศรัทธาออกบวชและบรรุมรคผลเป็นพรานผลความคิดของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ความคิดธรรมดาไม่ใช่ความคิดสามัญ มันเป็นการให้แบบคว่ำพัชนะเลยไม่ไม่ได้คิดว่าต่อไปจะเป็นอะไรแล้วเป็นสุขจากการได้ทําเช่นนั้นอันนั้นแบบพระโพธิสัตว์นะแบบประโพธิสัตว์ว่าคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยความคิดเร า, เาตัดสินด้วยสามัญรำนึกเราไม่ได้อย่างคนเคยวิาพากษ์วิจารณ์โน้ตสันดอนอนมาไปบรรดาบรมในทิศทางก็เจอบ่อยนะ ก็วิจารณ์พระเวสสันดรไม่รักลูกไม่รักเมียเห็นแก่ตัวเอาเมียไปให้เป็นทานเอาลูกไปให้เป็นทานอย่างนี้แสดงว่าเห็นแก่ตัวแล้วก็บางทีก็โจมตีพระพุทธเจ้าด้วยทิ้งลูกทิ้งเมียรับความลำบากบอกเออคุณคิดแปลกดีงี้ยคนอยู่ในวังได้รับความลําบากคนอยู่ในป่าได้รับความสบายเนี่ยก็คิดดีงกัน ก็จะเห็นว่าเราคิดเทียบเคียงความคิดเราไม่ได้เลยเราจะเราจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเราเทียบเคียงคนที่ลดหลั่นลงมาคนที่ทํางานด้วยความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเช่นตํารวจทหารที่อยู่ต่างชายแดนนอนกลางดินกินเงินทรายอยู่นะพวกแพทย์พวกพยาบาลที่ค่ําคืนดึกดื่นก็ตื่นขึ้นมาไปดูแลคนไข้คนป่วยเนี่ย มันเป็นบุคคลที่ทํางานด้วยจิตปัญญาตามุดมคติของเขาแต่ถ้าสามัญชนคิดคนโดยทั่วไปคิดตัวนคิดไม่ออกอ่ะแต่เขาก็คิดได้แเ้าก็ก็ทำงานด้วยความสุขด้วยความเชื่อมัน่นแม้บาดเจ็บล้มตายลูกเมีกยก็เดี๋ยวดีใจอ่แม้ตัวเองจะสูญเสียนั่นก็คือคนที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกันคือมันคิดได้เหมือนกัน แล้วก็การให้ทานตรงนี้ความคิดตรงนี้เราจะลองสังเกตว่ามันไม่ได้ไปมองไปที่ตัวทักขินยาบุกฏโดยคือผู้ที่ควรมีการรับทานด้วยแต่ก็มองว่าอย่าอย่าจบยาจบเปลว่าผู้ขอนะะที่จริงเนะี่ยคือเป็นคำรวมๆชื่อแล้วมันมันก็คล้ายๆอนาถาไปหน่อยเาชื่อภาษาไทยนย่ฟังแล้วนาถาไปหน่อยแต่จริงก็คือหมายความว่ามีผู้ขอโดยวิธีใดกระาำ อย่างพระที่บินฑบาตก็ที่จริงก็ข อ, ขอนะครัแต่ว่าก็ขออีกแบบหนึ่งคือเดินไปเรื่อยๆคนก็รู้เองก็ใจอเองถ้าเกิดสรัทธาจะตักก็ตักไม่ตักก็แล้วไปพระก็เดินไปเรื่อยๆในแง่ความจริงก็คือว่าเป็นการขออีกแบบหนึ่งบางคนเหล่านั้นจะไปอยู่ในชั้นต่าชั้นกลางชั้นสูงสุดอะไรก็ตาม ให้ให้ด้วยจิตวิญญาณของนักให้จริงๆคือนักเสียสละจริงๆแั้นเป็นการเตือนตัวท่านเองนะฮะหมายความมาเตือนตัวท่านเองเขาเรียกจำนวนอีกอย่างหนึ่งท่าเรียกว่าปรึกษากรัชกายคือตักเตือนกรัชกายตัวเองให้คิดแล้วก็พยายามทําให้ได้ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเราอาจจะไม่เดินตามเต็มที่ขนาดนั้น แต่การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผปป่อบมารีต่อบคุคคลอื่นสามารถสงครอเคราะหได้ตามเหมาะสมควรนั้นเป็นภารกิจที่ควรจะทำโดยแท้ต้องฟังทนายแต่รบพระโพธยาณในวันนี้ข อ, อยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทนายดูทกกันสวัสดี